ส่วนใหญ่นะก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบกับกายของเราเป็นของแหลมของมีคมน้ำหรือว่าเรืไฟเนะี่ยมากระทบกับผิวหนังรวมทั้งอากาศหรือแสงแดดร้อนๆที่มากระทบกับผิวหนังหรือไม่เชนนั้นก็มากระทบกับอวัยวะภายในซึ่งอันนี้ก็ เกิดจากเชื่อโรคหรือเกิดจากสารพิษบางอย่างที่เรากินเข้าไปหรือที่มันเข้าไปในร่างกายของเราแต่เวลามีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีอะไรมากระทบใจเรานะคือแม้เราจะมีคำพูดมากระทบใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะมีการกระทบกับสิ่งที่ไม่ใช่ใจมากกว่าเช่น กระทบตากระทบหูนะหรือว่ามันกระทบกับร่างกายหรือว่ายิ่งกนั้นคือกระทบกับสิ่งที่ไม่ใช่ใจที่อยู่นอกตัวเราหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นนะ4อย่างเนี่ย ทรัพย์สินเงินทองร่างกายการงานแก็ความสัมพันธ์ในความทุกข์ใจเนี่ยช่นความโศกความกัดกลุ่มความโกรธความขับแคลนเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะล้วนแต่มี อะไรมากระทบกับสิบที่ไม่ใช่ใจทั้งนั้นนะ น, นะเช่นทรัพย์สินถูกโกงเงินหายบ้านถูกยึดดูว่าร่างกายมันเริ่มแก่ชาราเจ็บป่วยหรือว่าไม่สวย ไม่ไม่ดูงามนะในสายตาของเราก็เกิดความกัดกุมใจหรือมีอะไรมาเกิดขึ้นกับงานการของเราเช่นตกงานหรือว่ามีคนมาแย่งงานที่เราทำไปรวมทั้งเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบความสัมพันธ์เช่นแยกทางกัน อ, อกหัก หรือว่าเกิดเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาสต่อว่าด่าทอแล้วเราทุกข์ใจก็เพราะมีเหตุการณ์ที่มากระทบกับ4อย่างเนี่ยนะซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่ใจทั้งนั้นน่ะมันก็น่าแปลกนะเราทุกข์ใจเพราะว่ามันมีสิทธิ์มากระทบกับสิ่งที่ไม่ใช่ใจและทำไมใจจึงเป็นทุกข์ได้นะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าเนี่ยมันเป็นเพราะการปรุงแต่งหรือว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นงานการเป็นของเราพอถูกแย้งชิงไปก็รู้สึกว่ามันกระทบใจหรือร่างกายที่เป็นของเราพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายมันก็รู้สึกว่ากระทบกับ ใจของเราไปด้วยแต่มองอย่างนอันหนึ่งเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับสิ่งที่ไม่ใช่ใจเนี่ยมันก็แปล ว, ว่าเราสามารถจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันกระเทือนมาถึงใจได้เช่นมันกระทบกับทรัพย์สิน กระทบกับรถยนต์กระทบกับโทรศัพท์แต่ว่ามันไม่กระเทือนถึงใจอันนี้ทําได้นะหรือว่ามันมีอะไรที่มากระทบกับงานการแต่ว่ามไม่กระเทือนถึงใจนั้นถ้าเราไม่อยากให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยนะมันก็ต้องหาทางที่จะป้องกันไม่ให้การกระทบที่เกิดกับสิ่งที่ไม่ใช่ใจ ไม่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองร่างกายการงานหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะมันกระเทือนถึงใจได้และนี่เป็นสิ่งที่เราทําได้นะในการที่จะป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกับ4อย่างเนี่ยนะทรัพย์สินเงินทองร่างกาย งานการความสัมพันธ์เนี่ยมันยากนะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะมีอำนาจมากมายเพียงใดเนี่ยแต่ว่าการที่เกิดเหตร้ายกับทรัพย์สินเงินทองร่างกายความสัมพันธ์งานการเนี่ยมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ แต่น้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เมื่อการกระทบกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่กระเทือนไปถึงใจและนี่แหละคือสิ่งที่เราควรทำนะก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างแรกเลย เราสามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกได้นะในยามที่เกิดความสูญเสียพลดพานะจากของรักหรือในยามที่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยเรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกได้อย่างน้อยก็ไม่ทุกใจและนี่คือสิ่งที่เราควรทาถ้าเรารักตัวเองเนี่ยก็คือรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุก เมื่อเกิดเหตุร้ายนะกับทรัพย์สินเงินทองกับร่างกายกับงานการหรือการเรียนรวมทั้งกับความสัมพันธ์หรือกับคนที่อยู่รอบข้างเรอย่างที่พูดไห้เมื่อวานนั่นนะว่าเวลาเกิดผัสสะเนี่ยมันไม่ได้เกิดทุกทันทีไม่ใช่ว่าเกิดปุ๊บทุกปั๊บไม่ใช่นะมันมี มันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดผัด ส, สะขึ้นมาหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจึงจะเกิดความทุกข์ใจนะซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าการปรุงแต่งซึ่งถ้าเรารู้จักป้อนะงกันไม่ให้ปรุงแต่งไปในทางลบหรือว่าถ้าเราทําให้ดีกวนั้นคือไม่ยึดไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่ง น, นั้น มันจะกระทบกับอะไรก็ตามมันก็ไม่กระเทือนถึงใจมันจะเกิดความทุกข์กับกายมันก็ไม่ทําให้ทุกข์ใจมันจะเกิดความทุกข์กับงานการมีความทุกข์เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่ทุกข์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้นี่ยหรือน้อยเนี่ยเวลากายทุกเนี่ยเราก็รักษาใจไม่ทุกได้มันไม่ใช่ว่าพอกายทุกแล้วมันใจต้องทุกตามไปด้วย มีพู่หคนหนึ่งเขาเลยฟังนะช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนมากที่กรุงเทพนะร้อนจนกระทั่งต้องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ให้มันเย็นมากๆเลยแต่เธอก็ยังรู้สึกว่ามันร้อนอ้าวอยู่ ก็ค่อนข้างจะหงุดหยิด ต, ตอนบายๆเนี่ยจูๆก็ได้ยินเสียงไพรสเน่มาเรียกที่หน้าบ้านเธอไม่อยากออกไปรับนะจดหมายหรือพัสดุจากไพรสเน่เพราะว่าเดินต้องออกจากห้องไปเจอแดดกว่าถึงประตูรั้วเนี่ย ขะอยู่ในห้องแอร์นี่มันยังร้อนเลยออกไปข้างนอกก็ยิ่งร้อนใช่ไหอย่แต่ไปสนีเนี่ยเขารู้เนาะว่ามีคนอยู่ในบ้านเพราะว่ารถก็จอดอยู่ในบ้านแล้วก็แถมมีเปิดเครื่องปะอากาศด้วยเขาก็เลยรอแต่เขาไม่ได้รอปรากาเขาร้องเพลงด้วยร้ <laughs> องเพลงอยู่นานเลยนะสุดท้ายเนี่ยเจ้าของบ้านต้องออกไปรับพอไปรับ จดหมายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยทำนองประชด น, นะนะกับไปรษณีย์นะว่าเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่เหรอไปรษณีย์คนนั้นเนี่ยนะซึ่งรออยู่หน้าประตูรั้วเนี่ยนานสองนานเนี่ยเหงื่อก็ไหลนะเต็มหลังเสื้อเลยนะแต่ก็ ย, ยิ้มนะแล้แกก็บอกว่าเนี่ย รร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วเนี่ยมันทำให้ใจเย็นครับคนหนึ่งอยู่ในห้องแอร์นะจงหงุดหงิดเพราะอากาศอ้าวแต่คนหนึ่งตากแดดอยู่แต่เขาอารมณ์ดีทั้งทั้งที่แดดนี่มันก็เผ า, าร่างกายของเขาตัวเขาเนี่ยร้อนนะ แต่เขารู้จักรักษาใจให้เย็นแล้ววิธีรักษาใจใเย็นเนี่ยก็ง่ายๆนะคือร้องเพลงซึ่งในาง่าหนึ่งก็คือทาให้ใจเนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกดีใจนี่ไม่ไปจดจ่ออยู่กับอากาศที่ร้อนหรือว่าไม่ไปจดจ่ออยู่กับกายที่ร้อนแต่พอนึกถึงสิ่งดีๆใจมันก็ เป็นสุขสบายอันนี้เป็นวิธีรักษาใจไม่ทุกข์นะอย่างง่ายๆนะซึ่งใครๆก็ทำได้แต่สิ่งสำคัญคือว่าเคยคิดหรือเปล่าว่ากายร้อนเนี่ยแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยมันทำได้หรือเคยคิดหรือเปล่าว่าเนี่ยแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่เรารักษาใจไม่ให้ร้อนหรือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันทำได้ คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยลึกไม่ถึงนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ควรทาเลยคือว่าเมื่อเจอทุกข์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ใช่พอกายร้อนแล้วใจก็คลอยหมุดหงิดใจก็พ ล, อ ย, พลอยเป็นทุกข์แทนที่จะทุกข์แต่กายก็ปล่อยให้ใจทุกข์ไปด้วยเพราะคนเราถ้ารักตัวเองนะมันก็จะปล่อยให้ความทุกข์เนี่ยไม่บานปลาย มันทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกและการที่ทำให้ใจไม่ทุกเนี่ยมันทำได้หลายวิธีแต่มันต้องน้อยต้องคิดก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำแล้วก็ทำได้ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราสังเกตนะว่าเวลามันมีเหตุการที่ไม่ถูกใจเนี่ยอะไรทำให้เราทุกข์ใจ เ, เป็นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้า เ ป, เป็นเพราะว่ า, วาเราวางใจไม่ถูกเมื่อสักสิก่ปีก่อนนะมันมันมีรายการสา ร, รคดีรายการหนึ่งนะของช่องไทยทีวีเนี่ยรายการชื่อว่ารายการพลเมืองเด็กนะเลิกไปนานแล้วเขาก็จะเป็นรายการแค่เรียลิตี้โชว์นะเขาก็จะเอาเด็กเนี่ยสัก3คน4คนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันบางช่วงก็ บางบางครั้งก็เด็ก 7-8 ็กขวบบางครั้งก็เด็กโตหน่อยเพื่อดูว่าเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาหรือทำงานร่วมกันอย่างไรมีคราวหนึ่งเนี่ยก็ก็ให้เด็กเนี่ยวัยรุ่นประมาณ 12-13 บมขวบเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมนื้อคือขนของขึ้นรถไฟนะรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบขน แต่บังเอิญบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงโจหอขึ้นชกนะสมจิตนี่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศนะ์บอกว่าเด็กสองคนเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยก็ขนอยู่สักพักก็หยุดขนนะแวบไปดูสมจิตชกที่ร้านกาแฟข้างสถานี ก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงขนของเดยวคนนี้เนี่ยก็เพื่อนไม่ขนนะแต่ว่าตัวเองก็ขนนะก็ขนด้วยความกระตือรือรน้นพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเนี่ยเขาทิ้งให้เราเนี่ยขนของขึ้นรถไฟคนเดียวเธวก็ตอบดีเธอบอกว่า หนูก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นการสนจิตนะนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกแต่หนูไม่สนใจชกมวยอะ่ะหนูก็เลยทํางานงหนูไปพิธีก่อนก็เลยถามเรียกว่าลุกเข้าไปอีกนะวันนี้แล้วหนูไม่ไม่โกรธไม่คิดจะต่อว่าเขาเลยที่เขาทิ้งให้หนูทํางานคนเดียวถ้า ต, ตอบดีนะัจะตอบว่าเนี่ยหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียว ก็หนูไปกกวดไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อย2อย่างนะและเธอเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะก็คือเหนื่อยกายเธอรู้ว่าถ้าเธอบ่นนะโกรธหรือด่าว่าเพื่อนในใจเนี่ยเธอก็จะเหนื่อย2ออย่างคือเหนื่อยกายเหนื่อยใจและตามภาษาคนที่รักตัวเอง้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้าจะเหนื่อยเนี่ยก็ควรจะเหนื่อยอย่างเดียวแล้วคือเหนื่อยกายเด็กคนนี้ก็รู้นะว่าถ้าบ่น บ่นเพื่อนเนี่ยมันก็จะทุกข์ใจด้วยและเธอก็รู้จักนะวิธีรักษาใจไม่ทุกข์ด้วยการที่ไม่ไปบน่นไม่ไปต่อว่าเพื่อนหรือว่าไม่ไปไปจดจ่ออยู่กับการที่เพื่อนเนี่ยนะทิ้งงานไปแต่มาจดจ่ออยู่กับงานการของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าใช้สติเหมือนกันนะเอาสติมาจดจ่ออยู่กับงานแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับเพื่อนที่เขาทิ้ง งานให้เราทําคนเดียวนี่ก็เป็นวิธีการนะในการที่รักษาใจไม่ให้ทุกข์นะในยามที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยนะเขไม่ไม่ช่วยงานแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนมากนะแทนที่จะแทนที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะกับเหนื่อย2 อ, อย่างทําไปก็บ่นไปทําไปก็บ่นไปบางทีนักปฏิบัติทำก็เผลอนะเหนื่อย2ออย่างนะ เหนือทั้งกายเหนือทั้งใจอันนี้พ่อไม่รู้จักรักษาใจนะไม่ให้ทุกข์เพราะนั้นเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะให้เราเตือนใจตัวเองว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีที่ช่วยได้อันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรายอมรับว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบนไปก็ปว่วยการ ถ้าเรารู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ของใจได้แล้วเราก็เรียกเป็นการลดการปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่ที่จริงแล้วเราทำได้มากกว่านั้นนะนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์ได้จากความทุกข์เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พู้เจ้าเนี่ยส่งให้ความสำคัญนะพระเจ้าเคยตรัสกับพระนันทียะนะว่าเนี่ย บุคคลผู้รู้จักหาประโยชน์จากอนิจฐานลมพระผู้มีพระภาคเจ้าสรารเสริญพููนะว่าเป็นบัณฑิตอันนี้พระนันทิยะพูดกับพระโมกข์พระองค์คุลิมานซึ่งเพิ่งบวชใหม่นะบุคคลผู้หาประโยชน์จากอนิจฐารมเนี่ยเพระก็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสรารสริญพู้นะว่าเป็นบัณฑิตอ น, นิจฐารมมัคืออะไรนะก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าการเสรื่อมลาบเสื่อมยศ นะหรือว่าการถูกลินทาว่าร้ายหรือความทุกข์พื้นฐานคือนะเมื่อเราเจอความพัดพากสูญเสียหรือเจอสิ่งที่ไม่รักเนี่ยเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันได้นอกจากเราสาใจไม่ให้ทุกข์ซึ่งเรียกว่าเสมอตัวเนี่ยเราสามารถจะได้ประโยชน์หรือหากำไรได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามวัยรุ่นคนหนึ่งนะั้นเป็น เพราะาตัวเองเป็น mia, ลิวคิเยียนนเป็นมะเร็งเลือดทีแรกก็ทุกข์มากนะแต่ตอนหลังก็ทําใจได้และแกก็มีสีหน้าดีขึ้นเพราะแกเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของแกหลายอย่างคร้งแรกคือทําให้ได้รู้จักพุทธศาสนาแต่ก่อนนี่ไม่เขใจนะเห็นพุทธศาสนาเป็นเรื่ององมงายแต่พอป่วยแล้วนะก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ แต่อัานหนังสือธรรมะก็ทำให้เข้าใจพุทธศาสนามากคือว่ามันช่วยนะบำบัดความทุกข์ได้แลระการที่สองคือว่าทาให้ได้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่พอตัวองป่วยนี่พ่อแม่ก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดนะงานการพ่อแม่ก็ไม่สนใจนะทิ้งงานมาดูแลลูกก็ทาให้ได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ ซึ่งแต่ก่อนไม่เห็นนะเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ลูกก็ค่อนข้างจะเหินห่างแต่พอลูกป่วยนี่พ่อแม่ก็มาดูแลใกล้ชิด ก, ก็ทำให้ลูกเนี่ยซาบซึ้งใจในความรักของพ่อแม่รล้วการที่3คือก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้เขามีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาได้คิดมากขึ้นมีเวลาได้ทบทวนชีวิตเขบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เจ็บป่วยนะก็คงมันก็เด็ก วัยรุ่นทั่วไปนะนอนหอพักกว่าจะเข้านอนก็ตีสามกว่าจะตื่นนอนก็บายสามรอเพื่อนมาเรียบไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็กลับมาหลับแล้วก็รอเวลาตื่นใหม่เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยนะเะเนี่ยถ้าไม่เป็นไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงจะไม่ นึกถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างใช้ชีวิตยอย่างประมาทนะไม่ระมัดระวังแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บนี่มันเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็เรียกว่การู้จักใช้ประโยชน์นะหรือว่าสามารถจะเห็นประโยชน์จากการเป็นมะเร็งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างเดียวมันมีข้อดีของมันด้วยอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่ายัางมีผู้หญิงคนนึงนะเจอน้าท่วมนะ น้ำท่วมนี่ก็ทำให้ทรัพสมบัตินะสูญหายหรือว่าเสียหายไปเยอะเลยของมีค่าทั้งนั้นหลายคนเนี่ยในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เสียแต่ทรัพย์อย่างเดียวนะบางทีก็เสียผู้เสียคนหรือเสียจดิตไปเลยบางคนก็ถึงกับค่าตัวตายเพราะวางใจไม่ถูก การที่จะเสียแค่หนึ่งก็เสียสองเสียสามนะแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเสียทรัพย์ไปมากแต่เธอก็บอกว่าเออมันก็ดีนะทำให้ได้รู้เลยว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยในสิ่งที่เราเชื่อเราเป็นเจ้าของมาที่แท้เราก็แค่ดูแลมันชั่วคราวถึงเวลา ก็โดนน้ำพัดไปถึงเวลาก็โดนไฟไหม้ถึงไหม้ก็มีคนลักขโมยไปเธอได้รู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของที่มาอยู่เพียงชั่วคราวเสียทรัพย์แต่ได้ปัญญานะได้เห็นสัจธรรมความจริงทรัพย์นี่มันหาใหม่ได้นะแต่ว่าปัญญาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรือที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าแห้คนเราเนี่ยถ้าหากว่า เจออะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถูกใจแต่ถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากมันได้นี่ถือว่ากำไรนะไม่ใช่เฉพาะความเจ็บป่วยอย่างเดียวนะที่จริงความเจ็บป่วยนี่หลวงพ่อคำเตยน่าจะเคยบอกนะว่าเวลาเจ็บป่วยนี่ให้หมอเป็นกำไรนะมันเป็นกำไรเพราะทำให้เราได้เห็นความจริงของลูกไม่งั้นเราก็ไปหลงติดในรูปแต่เมื่อเรารู้ว่ารูปนี่มันไม่เที่ยงนะ มันก็จะลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปอะไรก็ตามที่เกิดเราเนี่ยแม่ก็ต้องทาต่อว่าด่าทอนี้ก็มีประโยชน์นะสมัยที่หลวงปู่ข้ายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะมีแม่ชีคนนึงนะชื่อแม่ชีสานะแม่ชีสาเนี่ยอุปถาคพระเนรดีมากแต่ว่าไม่ได้ทําเท่านั้นนะการภาวนาก็ดีด้วยแต่และ ว, วันนึงเนี่ยหลวงปู่ข้าวเนี่ย เรียกพระที่ไปลูกศิษย์มาสองรูปบอกว่าให้ไปดา่าแม่ชีสาทั้งสองรูปเนี่ยก็งงๆนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ไปไปถึงกุฏิแม่ชีสาก็เรียกแม่ชีสาออกมาพอแม่ชีสาออกมาทั้งสองรูปนี้ก็ลุมด่าเลยหรือที่จริงแผลกันดา่าเพราะท่านก็ด่าไม่ไม่ค่อยถนัดด่าเท่าไหร่แต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ทำแม่ชีสาอที่แรกก็งงๆนะ แต่ว่าตั้งสติได้ก็พนมมือฟังอย่างสงบไม่มีความรู้สึกเสียใจที่ครูบาอาจารย์มาว่าไม่มีความรู้สึกน้อยใจว่าเราสาธธรรมดีแต่ทําไมครูบาอาจารย์มาว่าไม่มีเลยนะฟังอย่างส ง, จงบจนกระทั่งครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านไม่รู้จะด่าอะไรละพอทั้งสองท่านเงียบเนี่ยนายชีสาวพูดมาว่าเนี่ยท่านอาจารย์น ยังมีอะไรดาร่าดิฉันอยู่หรือไม่ดิฉันฟังคำดา่าแล้วทราบซึ้งเหลือเกินเสียงดา่านี่เป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้าก็นิมนต์ถ้าจะมาดา่าดิฉันให้บ่อยๆนะมันจะได้หมดกิเลสสักทีใน่ยิสานี่นอกจากราาักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วนะนะยังหาประโยชน์จากคำดา่านะคือใช้คำดา่าเนี่ยมาเป็นเครื่องขัดกิเลสนะ ยิ่งเจอคําด่าเท่าไรเนี่ยก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะทําให้กิเลสเนี่ยมันเบาบางลงงั้นถ้าเรารู้จักหาประโยชน์นะจากอนิจจารมเนี่ยหรือจากความทุกข์เนี่ยมาได้กําไรนะงั้นท่าชี้ที่ควรทำนะเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะมันก็มีแค่2 อ, อย่างเท่านั้นแหละนะอันที่หนึ่งคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์เดี๋ยวเพราะถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองนะเจออะไรที่เกิดเมื่อเจอทุกข์กับทรัพย์สิน กับเงินทองกับร่างกายกับความสัมพันธ์นะกับงานการแค่นี้มันก็พอแรงอยู่แล้วอย่าปล่อยให้ใจทุกข์ไปด้วยนะให้ความทุกข์เนี่ยมันมันถูกจำกัดอยู่แค่ทุกข์กายหรือว่าทุกในทรัพย์แต่รักษาใจไม่ให้ทุกข์และดีอยู่นะคือว่าเอาประโยชน์จากทุกข์ให้ได้โดยประโยชน์ในทางธรรมมก็จะช่วยทำให้ ได้กําไรนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นอวันผู้เท่านี้นะเอากรครับ